ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแย้งใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดผ่านจากสิ่งที่เราคิ่พอใจปัจจนาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง น, นั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกคนต้องผ่านแล้วก็ต้องเจอความเกิดนี่ก็ผ่านไปแล้วแต่ก็ต้องเจอ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 คำต่อว่าดดาทอตีชิ้นนินทาความล้มเหลวความไม่สมหวังแดดร้อนอากาศหนาวเรืวันี้คือสิ่งที่ไม่รักนะไม่พอใจทางชื้นแฉะมแมลงรบกวนรถติดเนี่ยพนี้อันนี้สรุปรวมเรียกรวมว่าเนี่ย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 หรือไม่ก็ตายจากไปรวมทั้งการรวังชาที่ได้สูญหายไปเมื่อมีอายุมากขึ้นรวมทั้งความสวยความงามความหลอ่อชี่งคนเราความทุวงคนเราทั้งโลกนี้เจ็ดพันล้านคนเรียกว่าเกสบเก้าเปอร์เซ็นของความทุกข์ ก็เกิดจากสองข้อนี้แหละส่วนข้อที่สามนี่ก็เรียกว่าควงเข้ามาก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่อาจจะไม่สําคัญกับสองข้อแรกนั่นคือปัจฉานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นปัจฉานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็อเรียกว่าเจอกสิ่งที่ไม่รักก็ได้อยากได้แต่ไม่ได้ก็คือประสบความผิดฟังนั่นเอง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 ในยศสีเนี่ยที่ว่าทุกเป็นตัวแรกเนี่ยก็หมายถึงอันนี้ทุกในย์แต่มันมีทุกอีกตัวหนึ่งนะเวลาทุกในใจรักในตจรักเนี่ยมีนิจจังทุกขังกนั้ตาหลังเชื่อสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกสังขารทั้งปวงนี่ก็รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง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 มันอยู่ในมันเป็นสิ่งที่บกพร่องไม่สมบูรณ์แต่ม่ได้วยความขัดแย้งบีบขั้นภายในไม่ใช่หมายถึงความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแฉกใจนะเพราะว่าก้อนเห็นภูเขามันมันไม่มีความโศกความร่ำลำพันธ์อยู่แล้วปรถยนต์บ้านเรือน มันก็ไม่มีความโศกความร้วยรมพันอยู่แล้วแต่ว่ามันเต็ไมไปด้วยความบีบคั้นขัดแยง้งกดดันนื่องจากสิ่งภายนอกเช่นความชื้นความดันแดดลมฝนแล้วก็มีความขัดแย้งข้างใน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 มันก็เหล็กเนี่ยนะแข็งแรงแต่ว่าทิ้งไปนานๆเ น, นี่ยมันก็เริ่มเป็นเสนหนิมแล้วก็เริ่มผุแล้วก็พังอันนี้เพราะว่ามันมีความความบิดคันความกดดันทั้งจากข้างนอกและข้างในเป็นแล้วว่าเรามองไม่เห็น แล้วก็ใช้เวลาอาการที่แสดงออกมาก็ปรากฏมาทีละนิดทีละนิดผ่านไปสักปีสองปีก็อ่ามันกลายเป็นเสร็จเลยก็และ้ว น, นี่ี้กว่าเป็นทุกข์ในใจรักนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกโศกร่ำรำพันก็ตามแต่ไม่ค่อยเปื่อยค่อยยุ่ยนี่เรียกว่าความเสื่อม และที่มันเสื่อมเราะมันมีการมีภาวะของความไม่สเสถียรความขัดแยง้งความกดดันอยู่อันนี้อาจจบางทีเราใช้คําว่าเป็นตัวทุกข์ที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าความแก่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วมาปิดท้ายด้วยว่า ว่าโดยยอโยบะทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์อันนี้หมายถึงทุกข์ในไตรักนะขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์มาค่ว่ามันเป็นสิ่งที่พร่องเป็นสิ่งที่ไม่สเสถียรเป็นสิ่งที่สุกกดดันขัดแย้งต้งแยกให้ดีะระหว่างความเกิดเป็นทุกข์กับ ขนันทั้ห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้มันทุกข์คนละตัวนะความเกิดเป็นทุกข์นทุกข์ในบริษัทแต่ว่าเป็นตัวทุดนี่คือทุกข์ในไตลักษถึงแม้แต่ถึงแม้มันจะความหมายจะแตกต่างกันนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าไอ้ที่แก่แล้วเป็นทุกขนะ์เนียไอ้ที่แกเนี่ก็เกิดจากการที่มันเป็น การที่เราแก่เนี่ยก็เพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเลยเพราะในส่วนรูปธรรมเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ก็คือมันมันไม่เสถเีย น, นยมันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในตั้งแต่จนระดับเซลเลยเนี่ยตอนหลังนักวิาศาสเนี่เมื่อเขาค้นพบเข้าไปถึงโครงสร้างภายในของเซล์ก็เพราอมไม่สะียนเลย มันมีความขัดแย้งต่อสู้ข้งในระหว่างโปรโตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนไนีอิเล็กตรนนอกตรนก็เตรียมจะ ว, วิ่งยพยายามหาทางออกมาให้เป็นอิสรจากนิวเคลียสก็วิางนี่ยแล้วก็มันก็วิ่งวนรอบแล้ววันดีคือมึงก็หลุดออกไปส่วนนิวเคลียสโปรโตอนก็พยายามยื้อยุด ขัดแย้ข้างนในเพราะว่ามันเป็นกระแสบวกเหมือนกันโปรโตอนจะเป็นบวกใช่ั้ยแล้วก็สารต่างๆเนี่ย้าต่างๆก็มีหลายโปรโตอนไฮโดรเจนหนึ่งโปรโตอนฮีเลียมสองโปรโตอนมันก็เพิ่มจากสองเป็นสามสามเป็นสี่ยิ่งไปถึงยูเรนเนียนี่มีย้องเท่าไหร่9ก้าสิบสองใกล้สองโปรโตอนมันบวกทั้งนั้นก็้องทำผลักกันมันพยายามผลักออกจากกันเพราะบวกมันผลักบวก แต่มันยังคงรูปอยู่ได้เพราะมันมีแรงยึดนะฝังเรียกว่าเวสยาร์เรียกว่า v ิฟอ r วิฟอ o สตรองฟอคือแรงแรงอ่อนกับแรงหนักที่มันยึดโปรตอนเอาไวใ้ให้เป็นอยู่ในนิวเคลียสแต่เมื่อมีการเสื่อมสลายมาเป็นการแถกกรรมตรังสีอ น, นี่ก็เป็นผลมาจากการที่มันไม่มีความสเสถียร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 ทุกเซลล์ทุกอวัยวะทุกเนื้อเยื่อเพราะควาเป็นตัวทุกนี้แหละมันถึงเกิดแปลสภาพมาเป็นความแก่ความเสื่อมแล้วก็ความเจ็บป่วยพอเป็นะระยะเข้าก็ตายเลยเรื่อแตกดับถ้าแตกดั บ, แ ต, ดบแตกสลายยินน้ําลมไฟเกอกกันไม่อยู่แล้วคุมกันไม่อยู่ก็กลายเป็นอะไรเน่าเปื่อยไป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 แล้วทําไมถึงมาละถึงมาปิดท้ายตรงนี้นะหลังจากที่พูดความทุกมาสิบเอดอาการแล้วก็ปิดท้ายด้วยวเนี่ยว่าเดี๋ยวอุปทานขันทั้ห้าเป็นตัวทุกเพราะว่าไออาการทั้งสิบห้าทั้งสิบเอ็ดอาการเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากมันก็มีที่มามาจา ก, กตัวนี้แหละก็คือขันทั้งห้าเป็นตัวทุกมันก็เลยแปลสภาพออกมาเป็นความแก่ความเจ็บความตาย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 ตัวับก็เลยเสียนาฬิกาก็พังรถก็ต้องซ่อมใครที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ทุกข์สิ่งอันนี้เรียกว่าประสบกับสิ่งไม่ไม่รักไม่พอใจล้ประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจคือรถเสียรถพังและต่อไปมันก็หายไปก็กลายเป็นความพัดพลาดนะพัดพลากจากสิ่งที่รักไปรวมทั้ง ขันห้าที่ปรากฏออกมาเป็นร่างกายและจิตใจของคนที่เรารักเนยมันก็เสื่อมไปป่วยแล้วก็ตายพอตายก็เรียกว่าเกิดความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจพัดพราดจากคนรักมันก็ทุกข์เลยนะก็โศกร่ำรายลำพันธ์ทุกขโทมนัสแล้วก็คับแทนใจ ให้เขา้าใจว่าที่เขาว่าที่มาปิดท้ายตัวที่สิบสองเนี่ว่าว่าจะยกานาคันขันเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันคือตัวสรุปทั้งหมดว่าทําไมไอ้ไอ้ความทุกข์สิเอ็ดอาการยึงเกิดขึ้นได้ผู้ยานก็พราะว่าเมื่อมีทุกข์ในใจรักมันก็เลยเกิดทุกข์ในอริยสัจอันนี้ขนันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยแล้วทําไมมีคำ อ, อุปาทานขันด้วย เพราะว่าขันทั้งห้าเนี่ยมนุษย์เราชอบไปยึดปุตุชนไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อขันห้าถูกยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยชื่อว่าอุปทานขันถ้าไม่ไปยึดนะมันก็เป็นขันเฉยๆเมือนก็หินเนี่ยมันก็อยู่มาอย่างนั้นแหละเราเรกเราก็เรียกว่า มันก็เป็นรูปกระแข็ น, นั่นหนึ่งก้อนหินนะนะแต่พอไปยึดว่าเป็นของกูของเราเนี่ยไอ้ก้อนถินนั้นมันก็เลยเป็นรูปที่ถูกยึดมั่น น, นี่คือเรื่อรูปปูปาฐานข็งโทนี่ตอนที้พอไปยึดข้าว เ, าเกิดอะไรขึ้นแตคนยึดเนี่ยทุกเลยแต่ก่อนเนี่ย หินมันทุกเฉยๆคือมไม่สเสถียรมันมีความขัดแยง้งอันนี้เป็นธรรมดาของมันแต่พอไปยื้อหินเป็นของเราเราก็เตรียมทุกข์ได้เลยเพราะว่าพอมันเสื่อมพอมันแปลสภาพไปหรือวพอมันแตกไปเราซึ่งไปยึดมันว่าเป็นของเราเราก็ทุกข์เราก็เสียใจล้วก็คับแค้นใจอันนี้เขาตังา้งใจที่จะบอกว่า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 เสียไปหรือว่าแตกหักไปจิตใจแล้วก็เหมือนก็ถูกมือนก็จิตใจวก็แตกสลายไปด้วยย mm hmm. ิ่งไปยึดมันมาเท่าไหร่ก็แตกสลายได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยที่ว่าอุปท า, านขันเป็นตัวทุกเนี่ยมันก็เลยมีความหมายเช่นนี้นว่ามันมีความหยิบคั้นภายในและมันก็สร้างความหยิบคั้นให้แก่ผู้ทีท่ยึดถือมันด้วย ถ้าไม่ไปยึดถือมันก็ไม่มีใครทุกข์นะก็มีแต่ก้อนเห็นหรือว่าทองเพชรที่มันก็จะเสื่อมสลายไปอันนี้ท่านถึงใช้คำว่าอุปาทานขันนะเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าอารมณ์พาไม่สบายกายไม่สบายใจนะความขับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่รัก พัดพากับสิ่งที่รักแล้วทุกก็พราะมันมีความไปยึดติดถือมั่นนะกับขันก้อนหินเนี่ยหินก้อนนึงเนี่ยถ้าเราไม่ไปถ้ามันอยู่เฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีใครทุกข์แต่พอไปแบมันเข้าเนี่ยไอคนแบนั้นทุกข์เลยนะคือมันหนักมันหนักคาว่าเป็นตัวทุกข์ความหมายก็คือว่ามันเป็นของหนักก็ได้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 และการที่ไปแบกนั่นแหละมันจึงเป็นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตรงนี้เรียกสมุดไทยก็ได้สมุดไทยคือแห่งทุกเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มองว่าเห่งทุกก็คือหินนะแต่แตห่งทุกคือการที่ไปแบกหินนะอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีคนภายนอกเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่ ที่ทุกก็เพราะว่าหินมันหนักคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาทุกข์ก็จะถามว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันเยอะที่ทํางานปัญหามีมากมายสารพัฒมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาชีวิตทําให้ทุกข์คนส่วนใหญ่พูดแบบนี้ทุกข์เพราะว่านะเจ้านายไม่เป็นธรรมงานก็ล้มเหลว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 คนหน่มองว่าเราทูกเพราะสิ่งภายนอกทูกเพราะเขาด่าเราทุกเพราะเขาแกล้งเราทุกเพราะเขาเอาเปรียบเราทุกเพราะมีสินทุกขเพราะรอเสียทูกเพราะเงินหายพวกนี้ภายนอกทั้งนั้นก็มันก็บ่กทุกเพราะหินน่ะทุกเพราะหินแต่จริงไม่ใช่หรอกทุกเพราะไปแบบหินตัางหากหินยังหินมันก็เป็นขอหมันไงคือมันหนัก แต่ถ้าไม่แบบก็ไม่ทุกใช่มฉั้นทางออกพุทศาสนาคือว่าให้วางใชให้รถให้วางไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นไม่ใช่ไปเปลี่ยนหินให้มันกลายเป็นนุ่นหินมันก็หนักขึ้นมาอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาตินะจะไปขอร้องให้มันเบาจะไปเปลี่ยนไม่ให้เป็นนุ่นก็ไม่ได้แต่ถิงที่เราทําได้คือเราวาง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 เกี่ยวข้องกับมันนะโดยที่ไม่ไปยึดถือมันไม่ใช่ทิ้งมันไปนะก็ก็เกี่ยวข้องกับมันแต่ว่าไม่ไปยึดมันไม่ไปแบกไว้ในใจมีนี้ก็ต้องจ่ายมีร่างกายก็ต้องดูแลแต่ไม่แบกบนี่ไว้ในใจไม่ไปยึดร่างกายไม่ว่าเป็นของกูของกูคือหน้าที่ที่มีก็ต้องทำแต่ว่าใจนะี่มันวาง ตม่มีความยึดมั่นถือมัน่นพอรู้ว่าถ้าไปยึดมันความทุกข์ของมันก็บีกขั้นให้ใจเราเป็นทุกข์ฉะน้นท้องฟเข้าใจดีในเรื่องว่าที่เราเสพสวดกันมาทุกวันทุกวันเนี่ยยิง่งแล้วก็แยกเข้าใจชัดระหว่างทุกในอริยสัจกับทุกในใตรักว่ามันมันคนละอันกัน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 ไม่ยึไม่ไปถือมันต่อไปเป็นทุกเนี่ยนี่คือเห็นทุกในตายรักก็พ้นทุกก็หมายถึงทุกทุกในสัตว์แต่หม่ๆเนีย่ยยังยังไม่เห็นทุกอย่างเป็นทุกในตายรักนะก็เอาว่าเห็นทุกที่มันเป็นทุกในยสัตว์ก่อนก็ได้ก็คือว่าเห็นความเจ็บความปวดเห็นความโกรธเห็นความ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 สังขารทุกข์เป็นทุกข์เนี่ย น, นันก็คือทุกข์ในไต่ลักนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทุงกข์เป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์ตรงนี้แหละถึงจะเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนานดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเมื่อเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ไง น, นะ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 ชาญจะพูดต้นนี้นะ